วันที่หกเป็นวันพระก็จะไปชันที่วัดดอยโยมต้องการไปก็ไปได้ไปใส่บาตรที่นูน้นแต่ที่นั่นเขาจะชุดโดงนะพระทีนี้ยต้องห่ออาหารไดาอยากเอาอาหารใส่บาตรอยากให้พระชันใส่ถุงใส่บาตรได้แต่ถ้าเป็นหมอกก็เอาไปให้โยม รับประทานกันพระกอบินตบาทเสร็จแล้วท่านก็เอาเฉพาะที่บินตบาทมาฉันอย่านี้ท่านท่านทุดงทุดงก็คือบินตบาตเป็นวัดรับเฉพาะอาหารที่ตกลงในบาตรมันใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็วางบาตรแล้วก็ ไม่รับอาหารที่ตามมาที่หลังบินทบาตเป็นวัดชั้นมือเดียวเป็นวัดก็คือถ้าหากว่าลุกจากอาสนะจังหันเรียบร้อยแล้วพระน า, าชาวเรียบร้อยก็ไม่ให้อาหารล่วงลาคออีกคำว่าอาหารเป็นนมเป็นโฮวันตินถือเป็นอาหารหมด ไม่ให้ล่วงลําคอโดยเจตนาถ้ามันเปลิดพลินไปแล้วไะนี่ไอ้นี้เนี่ยวะถ้าใครสมาทานทุดดงข้อชันมือเดียวเป็นวัดต้องเด็ดขาดเลยลุกจากอาสนะปั๊บสิ่งไหนที่เป็นอาหารไม่ให้ล่วงลําคอโดยเจตนา ถ้าบินตบาทเป็นวัดก็คือรับอาหารแล้ววางบาทลงปั๊บอาหารตามมาไม่เอาเคยทำคือถ้าทำเป็นแบบนี้คนรู้จักล้วเขามาใส่บาทแล้วมันก็อาหารมันก็เหลือเฟืออ่อะเพราะเขารู้แล้วตอนที่เราฝึ ก, กเราไม่ได้ไม่ได้บอกใคร ไปบินทบาตธรรมดาเอาใส่แล้วบางวันก็ได้แต่ให้มีขนมปังฉันข้าวกกาขนมปังโอ้มันมันมีคุณค่าทางจิตใจหอมหมกเล็กๆน้อยๆบางทีก็มีแต่ว่ามันมีมีคุณค่าทางจิตใจมันรู้สึก ถึงว่าเราฉันเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้จริงๆกำลังใจเต็มที่เลยนะคนที่จะปฏิบัติธรรมมันต้องรู้จักอุบายที่จะทำให้จิตใจตัวเองมีกำลังมันมีกำลังแล้วนี่มันสมาธิมันก็ง่ายนะมนไม่ใช่ซึมซึมหลับหลับนะมันตื่นแต่สมาธิแบบซึมซึมเส่งเสื่อง มันนั้นมันเป็นยังไม่ถึงขั้นมันนะมันยังมีกำลังอะไรนะมันยังไม่สามารถที่จะรู้เห็นกายเวทนาจิตธรรมว่าไม่ใช่ของเรามันไม่เห็นด้วยจิตไม่ได้เห็นด้วยปัญญายานมันก็เลยไม่ไปไหนมันถ้าเอาว่าเข้มแข็ง หาทางที่จะทําให้จิตมันมีกํำลังมันพอจิตเริ่มเริ่มอยู่กับตัวแล้วนี่มันพับมันออกมามองละส่องดูละส่องดูกายเวทนาจิตธรรมคือเห็นกายก็เห็นทั่วแต่ว่าอันไหนมันเด่นเท่านั้นเองในขณะนั้น ในความรู้สึกอ่ะอันไหนมันเด่นมันก็ไปดูตรงนั้นมันก็ดูทั่วรู้ทั่วเข้าสมาธิแล้วซึมซึมซึ่งเสื ง, งว่าดูจิตดูจิตแล้วมันรู้ทั่วไหมดูจิตใช่จิตมันเด่นเวลาทำมันเด่นจริงมันก็ต้องเด่นว่าตัวเห็นหมดอ่ะรู้สึกได้หมดอ่ะว่าอะไรมันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงภายในตัวเราเนี่ย เพราะนั้นทีแรกมันก็มีสตินะกรรมฐานใครเคยทำมันก็ทำอันนี้ก็เป็นธรรมดาเคยพุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่ยเพื่อให้จิตมันมันมันเป็นมันเป็นสมาธิอุกกว่าที่มันจะเป็นสมาธิแน่วแน่ใช้เวลานานกันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าตอนที่เป็นฆรวาสนะปฏิบัติ มาไปเวลามีวันหยุดก็ไปปฏิบัติเสาร์อาทิตย์ก็ไปปฏิบัติธรรมดาก็พยายามมีสติต่อมาก็อยู่ทำอยู่หลายปีอันนี้ตอนที่สอนอยู่นะปีนั้นก็พอปิดเทอมมาสองเดือนกว่ากว่าไปปฏิบัติเดินจะกรมนั่งสมาธต่อเนื่องเลยนะ มันมีเวลาน้อยเราตั้งใจทำเพราะเราเรามีหลักว่าเออถ้าสติมันต่อเนื่องมันจะควบคุมจิตได้ดีและมันจะได้ผลดีก็ทำตามนั้นแ่ละแล้วก็ไม่มีภาระาอะไรด้วยทำความสะอาดอะไรเล็กๆน้อยๆซักเสือ้อซักผ้า ปัดกว่าเช็ดทุ ก, กุติรอบๆ บ, บริเวณนิดหน่อยนาทีก็มีแต่เดินอยู่กำลังสำนึกชั้นก็เวลาทานอาหารก็มีสติตลอดอาบน้ําอาบท้ามิสติตลอดเลยตอนนั้นไม่รู้มันมีความเพียรมาจากไหนไม่อยากเสียเวลากับอะไรเลยนะบางทีก็มีคนอยากไปคุยอยากไปถามไปถไย คุยก็เล็กๆน้นอยๆแล้วก็หลีบหาทางปฏิบัติปจิบัติต่อเนื่องจนกระทั่งก็สู้ไปสู้มานะบางทีก็วางจิตยังไม่ถูกที่แรกอ่ะมันมันมันอยากอยากได้ผลอยากบรรลุธรรมอยากได้พระโสดาบัน พอจะเริ่มสงบหน่อยก็เอ๊ะขั้นนั้นหรือเปล่าขั้นนี้หรือเปล่าโอ้มันจิตมันก็ถอยคือมันไปนุ่งที่ผลนะมันไม่ได้มันไม่ได้สร้างเหตุอย่างเดียวนะพบ อ, อะไรขึ้นมาก็มันจะปรุงไปละเป็นขั้นนั้นเป็นขั้นนี้ไปก็เบื่อหน่ายตัวเองนะที่มันเป็นอย่างเนี้ย สุดท้ายมันก็เบื่อหน่ายมันก็เลยบอกผลเป็นยังไงกระเจ้าแต่ไรมาก็ดูอย่างเดียวคือมันพอมันวางความอยากได้มันเหมือนกับว่าจิตเนี่ยมันก็ตามลมนะทีนึงลมเป็นยังไงล่ตาดูดู ด, ดูเข้ามาหาลมเพราะนั้นกรรมฐานส่วนใหญ่มันมัน มันจะมาหาลมเพราะลมมันอยู่กับตัวเรานี้ปล่อยมันก็ลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็ตามไปปล่อยไปเรื่อยเขาเนี่เหมือนกับจิตเนี่ยมันหลุดไปแนวอาวกาศปุ๊บตัวเองก็ไม่รู้เป็นอะไรนะ ตอนนั้นอะ่ะมีความรู้สึกว่าจิตนิดหลุดไปในอวกาศเหมือนไปอีกโลกหนึ่งไปเลยอะ่ะเพราะไม่เคยเจอแต่แปลกตรงที่ว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยโอ้จิตมีกําลังมากมันมาดูหมดเลยดูกายดูเวทนาดูจิตมาดูแล้วมันรู้สึกว่าตอนนั้นก็นั่งนานแล้วนะโอ้มันเห็นว่าร่างกายเป็นก้อนทุกข์ไปเลยอะ่ะ เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันอาการเหมือนทั่วร่างกายไปเลยตรงนั้นก็เจ็บตรงนี้ก็ปวดใจก็มีทุกข์คล้ายๆกับมันเป็นอย่างนั้นนะมันกุ้มลุ่มอยู่อะมันเป็นแบบเราก็รู้สึกว่าอ๋อการปฏิบัติของเรามันต้องเห็นทุกข์เนี่ยแต่มันเป็นขึ้นมาเองนะไม่ได้ไปปรงแต่งไม่ได้คิดเห็นเห็นในจิตนี่แหละเบื่อหน่าย รู้สึกนั่งดูแต่ความทุกข์ทุกทั้งกายทุกทั้งใจเพรามันนึกถึงตอนนิโหนารยา ส, สัตตีเห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์กายมันเป็นทุกข์เลยจิตก็จิตก็แน่วแน่อยู่นะมันก็กาลังก็ดูอยู่แต่ว่ามันมีทุกข์มันเหมือนมันทุกข์แบบลุมลุม้มยังไงก็ไม่รู้จังจําได้นะตอนนั้นนะ่ะ เห็นเห็นเ็นทุกหน้าเบื่อหน่ายที่สุดเลยแต่ว่าต้องต้องใช้ความเพียรสูงมากตอนนั้นถึงได้เห็นอย่างนี้นะจนจุกมนั่งสมาธิต่อเนื่องนับชั่วโมงเลยนะตอนนั้นเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงติดต่อกัน วันหนึ่งสิบหกชั่วโมงติดต่อเหลือเวลาที่เหลือนั่นก็คือว่าฉัไนไอ้มพักผ่อนสี่ชั่วโมงเนี่ยก็รับประทานอาหารแล้วก็ทำความสะอาดอาบน้ำอาบท่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาในการปฏิบัติต่อเนื่องสิบหกชั่วโมงทำอะไรอยู่ก็มีสติ ติดต่อกันเป็นเดือนเดือนของเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้ได้มาง่ายง่ายไม่ได้สบายสบายแล้วก็เออไม่ใช่ของเราแล้วก็วางแต่วางอย่างนั้นนะมันวางเพราะอํานาจของปัญญาที่เราอบรมปัญญาที่อบรมอันนี้ยจิตมันก็สงบลงไปสงบลงไปจากปัญญาที่เราอบรมนั้น แต่ปัญญาที่เราอบรมนะั้นไม่ใช่ปัญญาของเราเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของคนอื่นที่เราเอามาอบรมแล้วจิตของเรามันก็โน้มเข้าไปมันก็ลงไปเพราะมันมันพอใจเป็นปัญญาที่ผ่านการคิด แล้วก็เอามาสอนจิตซึ่งก็ใช้ได้มันก็ยังเป็นขั้นสมถะกรรมาฐานมันแตกต่างจากการที่มันเห็นเห็นด้วยจิตหนังกายอยู่ยังไงเห็นมันบอกไม่ถูกคือมันชัดอยู่ในความรู้สึกของเราเป็นตาใจที่เห็น ชัดเจนอยู่ในความรู้สึกทั้งหมดเห็นครั้งครั้งแรกก็ดูนานพอคลายออกมาโอ้เบาโล่งะมันแปลกตรงนี้นะตอนนั่งดูทุกมีแต่สภาวะทุกมีแต่ความทุกทุกกายก็คือสภาวะทุกที่ร่างกายมันเป็นก้อนทุก มันเจ็บมันปวดมันมุนมันชาทั้งสภาพที่มันนั่งนานทั้งมันตึงมันเครียดมันลุ่มเข้าาหมดเลยไอจิตใจมันก็มีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไปด้วยกันทุกท้งกายทุกท้งใจก็นั่งดูไปเพราะว่ามันเกิด แต่ว่ามันผ่านผ่านการที่จิตมันมันมันเหมือนกับมันล่วมพึบเข้าไปถ้าบางคนก็เคยมาเล่าให้ฟังพอตามลมไปนั่งไปหรือกรรมฐ า, านทำไปแล้วมันบเข้าไปอย่างเงี้ยเขาบอกเหมือนตกจากที่สูงก็มีตกใจก็มีบางคนก็เหมือนหลุดออกไปเหมือนกันมีเหมือนกันตกใจ มันก็ออกมาลง ม, มาปุ๊บเข้าไปสักหน่อยก็หลับไปเลยหายเงียบเลยของเราอาศัยว่าสติมันดีเพราะมันเพียรมันสู้แล้วจิตก็มีกำลังด้วยพอมันเข้าไปแล้วมันมาดูร่างกาย มันก็เห็นเวทนาในกายแล้วก็มีเห็นจิต ด, ด้วยแต่ว่าสภาวธรรมเป็นธรรมยังไม่เข้าใจเห็นแค่เห็นเห็นว่าหลังกายเป็นทุกข์ก็ไม่เข้าใจด้วยว่าเป็นอริยสัจสี่มันก็แค่ดูไป แต่ว่ามีความชัดเจนอยู่ในจิตแล้วก็ปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งก็ต้องกลับไปสอนกลับไปสอนก็ทำไปแบบทำแบบขละวาดอะปฏิบัติแบบขละวาดนั่นแหละได้บ้างไม่ได้บ้างสู่ไปดูไป <c oughs> ว่างก็ไปปฏิบัติสารอาทิตย์ก็ไปถ้าปิดหลายวันก็ไปยังสำนักปฏิบัติเวลาไปเก้าวันสิบวันรู้สึกมันเบิกบานจิตเบิกบานมากมีพวกปิติมีความสุขมีความสบาย ต่อมากันเลยตัดสินใจบวชพอไปบวชแล้วก็จะเพียนจริงจังแต่โอ้อุปสรรคเยอะไม่รู้เป็นอะไรจะเป็นที่สถานที่หรือเป็นกรรมเวรของเราก็ไม่รู้โหนง่วงนี่สุดๆเลยนะเอาสู้ก็ไปหาเดินตรงที่มันกลัวจะตกอะเดินก็ง่วงนั่งไม่ต้องพูดถึงเดินก็ไปเดินหมิ่นๆเอา ไอธทีมันระวังหน่อยเนี่ยเอาแบบนั้นนะต้องเอามินมนิมันก็ดีเหมือนกันมันที่มันไม่ง่วงและตกลงไปนะแต่ก็เคยเหมือนกันไปเดินมันมีสะพานยื่นเข้าไปในน้ำก็ไปเดินตรงสะพานนั่นแหละ เดินไปเดินมาวุ้บเดียวนะตกน้ำเลยนะเฮ้เ hey! <t> ชื่อว่ามันง่วงมันหลับก็ไม่ใช่มันเหมือนมีอะไรวุบเข้ามาแล้วก็ลืมตัวไปเลยนี uh. ่เหมือนกับมันมีอะไรมาบล็อกร่างกายหายเงยียบตกน้ำตกน้ำก็หนาวเย็นผ uh. สมน้ำหนามัน แทนที่จะไปกังวลใจว่าเออเราเปียกเราหนาวอย่างนี้นไม่ใช่จิตมันกับสะใจสมน้ำหน้าตัวเองสมน้ำหน้ามันเดินบางนั่งบางเออมันตดนน้ำากัดเย็นขึ้น ม, มันก็ตื่นขึ้มากลางคืนแต่ว่าจิตไม่ถอย ช่วงแรกๆพรรษาแรกๆโอ้โหมันอุปสรรคเยอะแต่ไม่ถอยเออไปสู้หาอุบายหาวิธีการต่างๆแกไขนั่งไม่ได้ก็เดินไม่ได้อะไรก็ไม่ให้มันหลับพอรักษาใจไว้พยายามรักษาใจ มาให้มันไปกลัวไปกังวลได้ผลไม่ได้ผ ล, ม ไ, ผลไม่สำคัญแต่ใจเราไม่ให้เสียไม่ให้ไปยินดียินไล่ก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆไปอยู่เขาเขียวพรรษาที่สามแล้วพรรษาหนึ่งสองนี่ก็ไปหาที่ปฏิบัติตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง โอ้บรรดาสามเปจำบรรด า, าที่เขาเขียวโอป่ามันกว้างขวางนะมีป่าเป็นเขตอนุรักษ์พันสัตว์ป่าก็อาศัยป่ากุติก็มีไร้หลังขังห่างกันไปอยู่กับหลวงพ่อชัย ตอนนั้นบวชมหานิกายนะหลวงพ่อชายนี่ท่านก็เข่งวินัยอะ่ะเป็นสาธทำมิ่กับทางสาขาหนองประพง์นี่แหละบางทีก็มีพระฝรังไปอยู่ด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเพระพระฝรังนี่ความรู้ความรู้เกี่ยวกับสำนักนั้นสำนักนี้เขาดีนะเขาสํารวจหมดเลยคุยกันเขาก็แนะนำว่าสำนัก ที่มีมาตรฐานนะครูบาอาจารย์ที่ได้มาตรฐานตรงนั้นตรงนี้มีหลวงตามหาบัวท่านอาจารย์แบนหลวงปู่เทศอาจารย์ฟักหุ้นเราก็อยากไปนี้ตอนนั้นวัดสังฆทานนี่ก็ก็เริ่มกำลังกาลังพัฒนากันใหม่ๆพระก็เริ่มเยอะแล้ว ก็อาศัยป่าสู้บางวันเดือนง่ายๆไม่ได้ขึ้นกุฏินะเอาผ้าพลาสติกมาปูข้างหลังในป่ากว้างๆเดินจงคมนั่งภาวนาอยู่ข้างหลังพอมาเริ่มชินชากุดหลังนี้ก็ย้ายไปหลังใหมย่ย้ายเข้าไปตรงไหนต่อมานี่มันแปลกมันไม่กลัวนะ เขาลำลือว่าตรงนั้นมีผีปโปง่งพรว่าผีปโป่งไปเที่ยวกินสัตว์ไงมันจะมีแสงใกล้ๆกับผีกระสือไม่เคยเห็นนะแต่เราไปไปก็ไปไม่ได้เจออะไรบางทีก็มันมีเขาเป็นกลหหางกันเป็นลูกๆ อ, อยู่ในบริเวณนั้น่ะ ก็ลองดูนะทีนี้จะลองไปที่เขาลุกไกลออกไปอีกที่ขึ้นไปข้างบนนั้นก็เกืไกลแล้วนะก็อยากไปไกลอีกก็หอบกดที่พอนอนได้ผ้าสังคาติโอตอนนั้นเข้มงวดกวดขันตัวเองนะ คำว่าอ่อนแอนี่แทบไม่มีเลยนะผ้านี่ก็เรียกว่าศึกษาทุกเรื่องทุ ด, ดงนี่ก็รัดกลุ่มเอาเท่าที่จำเป็นจริงๆรองเท้าต้องคู่เดียวไฟฉายกระ บ, บอกเดียวสมบัตินี่ให้มีชิ้นเดียวเก็บรักษาง่ายพกติดตัวภายในก็มียาบในยามก็จะมีแก้วแก้วส่วนตัวแล้วก็มีกระติกน้าติดตัวไป เดีไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเองหมดเลยก็เป็นนิสัยนะเพราะฉ้นจะเดินทางปับ๊บมันจะเตรียมละกระติกน้ําไม่มียีกยเอาน้ําขวดเอาขวดมาใส่น้ําเอาผ่าเย็บๆมีสายสบายแต่กระติกนี่ไม่เคยขาดหรอกมันจะต้องมีติดตัวอยู่ตลอดนี่ตอนนั้นน่ะ ตั้งใจอยไปทดสอบตัวเองเข้าไปในป่ามันก็เริ่มเย็นแล้วละ่ะกางกดเรียบร้อยอเดินจงกรมแล้วจะนั่งสมาธิเข้าไปนั่งสมาธิกดเส็นไหมเหนื่อยเพรียแล้วก็จะลุกมาเดินจงกรมตั้งใจอย่างนี้นะก็เดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยเข้าไปนั่งสมาธินั่งไปพอเริ่มเหนื่อยทีนี้ จะออกมาเดินโอ้ไ oh ม่กล้าท้งนี้อย่าไปต่อสู้นะไปทดสอบเฮแต่จิตนี้มันก็เก่งนะมันบอกว่านอนภาวนาก็ได้มันว่าอ้าวเข้าท่าวะวะเออใช่ใช่เป็ะยืนเดินนั่งนอนอเนี่ยบางทีไ อ, ไ อ, ไ อ, ไอความรู้นะมันก็หลอกเราเหมือนกันนะคือมันกลัวที่จริงอะ่ะแต่มันไม่ยอม ไม่ยอมรับว่ากลัวนะถ้ากำลังสติปัญญาเราไม่ทันไม่เห็นมันนะเพราะนัอาการที่จิตมันมันแวะซ้ายแวะขวานะพลิ้วไปพลิ้วมานี่แหละอาการที่ยังไม่เห็นหน้าตาของมันคิดว่าคิดว่ามันมันมั น, ม, นมันทำให้เราดีมันมาช่วยเรา ที่แท้มันหลอกเราให้เราอยู่ในอำนาจของมันีสู้ไปสู้มาก็เริ่มมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครบางทีก็อยู่องเดียวบางทีก็หลายองค์ขึ้นมาอยู่ด้วยกันเราก็มีโรงคัวมีแม่ชี อ่ะยังไม่ใช่แม่จีมีโยมหม่มเขาดำนี่แหละอยู่สองคนเขาก็จะส่งอาหารขึ้นมาแล้วก็ทำอาหารบางทีก็ลงไปบินธบาตข้างหลงังไกลบินธบาตเดินขึ้นอย่างลหลายกิโลแล้วก็ไปเดินรอบไล่เขาอีกเขาใส่บาตรดีนะถ้ามีพ้าองค์ไปห่อใหญ่ๆแต่ข้างบนนี่ก็พอ พอฉันนอกอยากอยากไปลองดูผ้าหนุ่มๆก็ชอบบางทีได้ออกกำลังกายบางทีก็ไปนั่งในป่าเดินอยู่กลมก็นั่งอยู่คนเดียวมีน้ำใส่ก้าไปบางทีก็เห็นงูงูตัวใหญ่ๆมันก็เลื้ผ่านไปของมันนะ พอปานไปสักพักมันก็มีอีกตัวหนึ่งตามไปในธรรมชาติก็ ง, งูมันมันตามไปมันจะไปผ ส, สมพันกันมีนกมีกะแตก็หลอกเยอะเนีย่ยดูไปดูธรรมชาติไปเวลาจะสงน้ำอย่น้ำในการนี่แหละทีใส่ผ้าเช็ดหน้า เราเช็ดตามตัวเช็ดให้มันทั่วทั่วแล้วก็พอแล้วคือเรียกว่ามันไม่มีทุกข์แล้วมันมันมันอยู่ได้แล้วเน้นการปฏิบททัติธรรมจิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าแปลกตรงที่ว่าพอมันมาดูในสติปัฏฐานสี่แล้วมันถอยขึ้นถอยลงไม่มีกำลังที่จะไปต่ออยู่ได้สักประมาณสิบเดือนก็ลงไปนู่นไปเข้าห้องเก็บตัวทีนี่เนี่ยสาขาเนี่ยวัดสังกธานนี่แหละ ไปวัดน้องไัยเก็บตัวเข้าห้องของเขาก็คือว่าเขาจะต้องเอาอาหารใส่บาตรแล้วมาถวายเราฉันแล้วมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเดียวตอนนั้นก็อัดอัดเสียงไอเนี่ยพระสูตรคีริมนนทสูตรไอส่วนมหาติปฐานสูตรนี่ทำความเข้าใจเอาไว้แล้วเวลาปฏิบัติก็ ครูบาอาจารย์ก็ไม่มีเราปฏิบัติตามลำพังก็ฟังนี่แหละเอาคิริมานนทสูตรกับมหาสิทธะสติปัฏฐานสูตรผลสภาวธรรมเกิดขึ้นก็เช็คว่าเออของเราเนี่ยตรงไหมตรงกัระสูตรเหล่านี้ไหมมันก็ตรงอ่ะตรงแน่ใจละเพราะนั้นเราไม่ได้พิจารณาสุภา เพราะของเราจริตเราไม่เป็นมันมาดูทุกข์กายใจอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมันเห็นว่าเป็นทุกข์ต่อมามันก็ไปเป็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ของเรามันก็ชัดขึ้นมาได้ไปด้วยกันแต่ไม่มีกำลังก็ทำอยู่ออกพรรษาแล้ว ก็มีโยมเขาอยากจะสร้างวัดเขาก็นิมนต์เขามีที่ดินเนี่ยที่ตไปอยู่ที่้สวนอ่บทีบันบึงอ่ะอก็ไปอยู่ก็มีพระมาอยู่ด้วยหกห้าหกองหกองเจ็ดองนี่ล่ะเนรด้วยพากันปฏิบัติพอเจ็บพอวรนษาแล้วเอ๊ะรู้สึกว่าเราเนี่ย ยังไม่พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าเขาทมเราก็ยังไม่มี ห, ห้าพรรษาแล้วก็เลยออกไปตั้งใจว่าเออเขานี้เราไม่ยอมเข้าไปในเมืองแล้วจะต้องอยู่ตามป่าตามเขามุงปฏิบัติแล้วตรงไหนเขาว่าดีก็ไปศึกษาปฏิบัติ มันก็ได้ทางของของตัวเองนะเพราะว่ามันก็พอรู้วิธีปฏิบัติก็จิตก็ดีขึ้นอยู่แล้วก็พรรษาที่หกก็เอาไปเข้าห้องอีกอ่ะพอรู้สึกว่ามันได้ปฏิบัติเต็มที่ที่เขาสาพัดดีก็เป็นเนี่ยวัดที่หลวงพ่อช้างวานนะไปสร้างลูกศิษย์ของท่านนะอาจารย์สำรวมตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่มั่งลึกมนาันภาพแล้วก็ไม่รู้ มันยังถอยอไปตรงนี้เระไปปฏิบัติที่เจดีเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสังวรหลวงพ่อทองท่านให้เพ่งกระดุกนะทําให้ดูสติปัญสี่อย่างที่เราทํามาละเพ่งก็เพ่ง mm hmm. ไปนั่งกับท่านไปเพ่งวันละสองชั่วโมงโอ้บังคับจิตให้มันเจาะอยู่ที่นี่หนักแต่ว่าต้องทําเพราะว่าก็มาศึกษากับท่านแล้วนี่ท่านให้ทําก็ทํา จิตก็อยู่นะอยู่ดีแต่มันมันไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบามันไม่ปล่อยอะ่ะไม่ว่าไปบังคับจิตให้มันไปจ้องหรือมันไม่ถูกเจริญลองพอออกพรรษาแล้วก็ไปต่ออีกพอเข้าพรรษาก็นึกถึงเข้าห้องอีกแล้วแต่ว่าพรรษาเนี้พรรษาที่เจ็ดละเออเราเนี่ผ่านมาหกพรรษาแล้วทําไม่นะกําลังมันไม่พอ ทีนี้เร ม, มาเช็ค ก, กำลังแล้วอย่างอื่นก็ดีขึ้นอยู่ก็รู้ทางรู้อะไรหมดแล้วเมื่อตัดสินใจสู้เวทนาเพราะต้องการกำลังจิตต้องการความชัดเจนนี่พอนั่งขัดสมาธิเพชรไม่เคยนั่งเอาดูสิเราเนี่ยนั่งแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ถึงทนไม่ไหวเล้ยวจะออกก็แ้ก็ตรวจสอบเวลาด้วย ก็สู้เต็มที่อ่ะต่อมาก็พอรู้ว่าเออเวลาเราขนาดเนี้ยอธิษฐานเพิ่มครั้งแรกก็สิบห้านาทีโอ้โหตอนตอนที่เราอธิษฐานเพิ่มเนี่ยเวทนามันบีบคั้นโอ้โหเวทนาทางกายเนี่ยมันก็รุนแรงกพราเราเคยเต็มที่ของเราแล้วเราเอาต่ออีกโอ้โหตอนนี้มันได้ต่อสู้ พอมันเจ็บมากมากจิตมันก็รู้วิธีของมันเหมือนกันนะฮะมันก็ปล่อยตอนที่มันปล่อยนี่แหมมันไอ้ที่เราเคยว่าเราพิจนากายได้พิจนาเวทนาจิตทําได้ที่ว่าเราเราเรารู้สึกว่ามันมันมันเป็นวิปัสสนาเนะี่ยมาเทียบกับตอนจิตมีกาลังนี่โอ้คนละสูคนละอย่างอันนี้ชัดเจนแจ้งจิตปล่อยเห็น เราเพิ่มอธิษานเพิ่มเข้าไป15นาทีเพิ่มหลังจากที่ทนไม่ได้แล้วนี่15นาทีต่อไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกเป็น30ต่อมา45ต่อมาชั่วโมงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยทีนี้โอ้โหข่าวเนี่กําลังไม่ต้องพูดถึงเลยทีนี้กําลังของสมาธิกําลังสติสมาธิปัญญาสัทธาความเพียรเต็มที่ แจ้งปล่อยแล้วปล่อยอีกปล่อยแล้วปล่อยอีกไม่ใช่ว่าครั้งสองครั้งนะก็พรรษาเข้าพรรษาแล้วนี่สู่ทุกวันวันไล่หลายหนซัดกันแต่ว่ามีรสชาติมันมีความรู้สึกว่ามันมันอิ่มเอิบเบิกบานข้ามันเองไงคราวนี้มันปีติปีติที่เห็นมันไม่ใช่เป็นปีติแบบสมาธินะ มันเป็นปีติที่จิตจิตทั้งตื่นทั้งอิ่มอยู่ในจิตนั่นแหะนะเหมือนกับมันเห็นธรรมบางจิตวางไปเรื่อยปล่อยแล้วปล่อยอีกวางแล้ววางอีกเห็นชัดแล้วชัดอีกแจ้งแล้วแจ้งอีกแล้วแล้วเหล่า นั่งตั้งแต่หัวคําที่นี่ซัดกันเออนั่งไปเรื่อยโอ้โ ห, โโหข้านี้เจ็บปวดเนี่ยไม่รู้มันเอามาจากไหนทีนี้มันลุมนะมันลุมทั้งกายทั้งใจมีความรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกแย่ไม่ถึงวันพระวั น, ว, นวันธรรมดาลุมเข้ามาลุมเข้ามาเวทนาก็เต็มที่ แล้วยังลุง ม, มันมันก็จะว่าทนไม่ได้ก็ไม่ใช่มันก็ทนได้แต่ว่าทำไมมันแปลกแปลกมันเหมือนกับจะเป็นจะตายคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะแต่ในความรู้สึกก็ไม่หนักถึงกับว่าเราเนี่ยสู้ไม่ได้ก็สู้ได้อยู่แต่ว่าทำไมมันเหมือนจะเป็นจะตายทีนี้จิตมันก็พูดได้นะทีนี้มันก็พูดละทีนี้นี่ถ้าเราจะตายเนี่ย ไม่ได้คิดเอานะมันถ้ามันจะตายเนี่ยจิตของเราต้องดีนะพอพอมันว่าแค่นี้นะจิตมันวางหมดเลยนะวางเวทนาหมดเลยเหมือนกับหดตัวเข้าไปข้างในเหมือนถอยหลังไปอย่างเงี้ยเนี่ยเอาตามดูอยู่นะมันก็ปับ๊บมันมุดไปถึงจุดจุดหนึ่งจิตก็จิตก็พูดขึ้นมาว่าเวทนาคือความบิดคั้นมันละ จิตพดปั๊บแบบเป็นเองแบบรวดเร็วเลยนะดิคันอะไรเหมือนกับว่ามันประกาศความเป็นอิสระของมันอของคราวนี้มันไ ม, ไม่เคยเห็นเลยความสุขในโลกมันไม่เคยเห็นมันรู้สึกว่าเหมือนเราไปไปถึงโลกโลกหนึ่งะแต่คราวนี้มันไม่ได้เป็นพึบนหายไปมันเป็นแบบสติเต็มร้อยแจ้งชัดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นทุกขบวนท่า ของการปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะการที่จะเห็นทำรรเนี่ยไม่ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องเพียรมากใช้ความอดทนใช้การต่อสู้มากจนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ไม่ลื ม, มตรงที่มันเห็นนะี่ยนะ ส่วนอื่นๆไม่ใส่ใจเลยนะแปลกตรงนี้นะที่ปฏิบัติมาเอาเห็นแล้วเห็นเรล่เาเห็นอันนั้น เ, เห็นอันนี้วางทิ้งหมดเลยแต่มันจำเฉพาะตรงนี้เมื่อก็ตรงเนี้ยมันมันอยู่ในใจนึกขึ้นมาเมื่อไหรก่ก็เออครั้งที่หนึ่งตรงนี้มันเป็นแบบนี้ประมาณกลางผัรษาอะไรอะไรก็เบาลงไปทีนี้ ก็มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิบริหารร่างกายด้วยเด่นโยคะอย่าอะไรต่ออะไรแก ง, ง, ง่วงแกซึมตามระเบียบเขาไม่ให้ทำแต่ของเรานี่เราก็เราเราเราเร า, เรามีหลักละทั้งมหาสติมหาสติประทานสี่กับไอ้นี่ละขีิมนนทสูตรเนี่ยเรารู้แล้วว่าของเราต้องปฏิบัติอย่างนี้ก็สู้ ต่อมาก็ใครออกพรรษาเนี่หละเจ้วันพระคราวนี้นั่งแต่แต่หัวค่าไปพอดึกเข้าดึกเข้าโอ้โหมันปวดเอ้แต่จิตมันไม่กลัวไม่ถอยนะแต่ว่าไอ้จิตนี่มันอยากร้องไห้เออมันปวดแบบมันทนไม่ไหวของมันนะแต่ว่ามันก็ทนได้อยู่นะแต่ทําไมจิตมันไปอยากร้องไห้ร้องก็ร้องอะไรร้องกิเลสร้องมันว่า ถ้ากิเลสร้องล้องไปเลยมันก็ดูอยู่นะเอออันนี้ก็แปลกอย่างหนึ่งแต่ก่อนว่าเราร้องคราวนี้กิเลสร้องมันวา่างนี้เลยนะไม่รู้ว่ากายร้องหรือว่าอะไรร้องนะมันว่าตัวกิเลสพาล้องมันว่าถ้ากิเลสพาล้องร้องไปเลยไม่ถอยร้องมันก็ร้องสองสามครั้งนะร้องแล้วก็ สู้ต่อไปมันไม่ไหวอีกมันมาอีกคือตอนที่มันวางได้เบาแล้วก็พอนวางได้มันก็มันก็สบายพอสบายปั๊บมันมาใหม่อ้โหยมันเคยสบายอ่ะตอนที่มันปั๊บเข้ามาอือฮึตอนที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันรู้สึกเสียแทงสุดๆเลยเนาะนี่แหละ ไอ้ตะ ก, กิเลตันหาของเราไอ้ความยึดมั่นถือมั่นของเราไม่ได้อย่างใจเนี่ยรวดเร็วรุนแรงเสียแทงทรมานแต่ก็ผ่านไปไปถึงพอทนไปถึงจุดหนึ่งโอ้โหเขานี่มันมันเห็นจิตนะกับกายเนี่ยมันหลุดออกจากกันแบบเออมันก็เห็นแปลกนะมันเห็น มันเห็นคงมันแบบเนี้ครา น, นมันอุทานดีนี่มันอุทานโอ้โหเนี่ยเราหลงยึดร่างกายมากี่กับกี่กันแล้วมันว่างงีนะ่ะถึงได้เวียนว่ า, ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะของพระเจ้าเนี่ยโอ้โหมันคงไม่ ได้รู้ได้เห็นอย่างนี้แค่เห็นแว บ, บเดียวที่มันขาดอกจากขันแบบเหมือนคนละส่วนก็มันก็เห็นในจิตอ่ะคือมันเห็นมันเห็นมันเห็นเองแบบที่มันเห็นนะคราวนี้เหมือนร่างกายก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นเราเนี่ยพรรษาพรรษาที่เจ็ ต่อมาก็พิจารณาการปฏิบัติของตัวเองอก็รู้ว่าเราเนี่ยเราเราเราผ่านมา ส, สองสองรอบแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ตัวเองรู้รูตัวเองแต่ก็ไม่พูดกับใครเวลาใครมาคุยธรรมะเราพูดออกไปเนี่ยเออมันก็แปลกว่าเขาเขารู้สึกทึ่งเขารู้สึกสนใจก็เลยมาคิดที่นี้่แล้วผู้ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เขา ทำกันยังไงนะมันได้เห็นแจ้งชัดหรือเปล่าพอที่จะมั่นใจได้ไหมว่ามันปล่อยมันวางได้จริงหรือว่าฟังธรรมอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างฟังธรรมคนนั้นคนนี้บ้างแล้วมันสงบลงไปแล้วก็ไปนิ่งอยู่ แล้วก็ว่าอันนั้นเป็นมรรคเป็นผลแล้วเวลากระทบอารมณ์เป็นยังไงทีนี้มันปล่อยได้ไหมมันวางได้ไหมเรามาก็มาบวชที่วัดดอยก็เริ่มถือธุดงก็เอาก่อนเพราะเรารู้วนในพรรษาถ้าถือธุดงคนจะมาใส่บาตรเยอะอ จะไม่ได้ต่อสู้ก่อนเข้าบรรษาเริ่มเอาเลยโอ้นั่นแหละได้ต่อสู้แต่ว่าเบิกบานที่สุดหละมันพอใจการกระทาของตัวเองมันได้ขัดเกลาันได้ต่อสู้จิตมีกำลังได้พินาลูบแล้วข่นเสียงสัมผัสพินาภายนอกภายในเข้าไปคือมันมันเอาทุกอย่าง หาอุบายหาวิธียาทำให้จิตของเรามันมันมีความเจริญเกานามันมีกำลังมันไม่อนุโลมตามกิเลสไม่ปล่อยตามใจของความอยากเพรา ะ, ะนั้นพไม่เห็นใครอ่อนแอนมันไม่ถูกใจบางทีก็ทนเอาพอถ้าไปจูจี้มากเดี๋ยวก็จะเป็นทุกข์ เรอยู่กันแบบผู้ใหญ่นี่หละพระก็ตามโยมก็ตามบอกสอนบอกวิธีสอนปลุกจิตปลุกใจเราทำเต็มที่แล้วมันก็บอกตัวเองอีกว่าเนี่ยเราทำเต็มที่แล้วนั่นเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติมาเต็มที่มันพูดกับตัวเองนะบริสุทธิ์หลุดพ้นแน่นอนวาอย่างนี้ ก็พยายามที่จะศึกษาคำสอนของโมเทียวด้วยเวลาถ่ายทอดก็พยายามให้มันถูกให้มันตรงแล้วทำเต็มที่กลัวแต่ผู้ฟังจะไม่ได้ประโยชน์เมื่อทำเต็มที่แล้วก็ได้มากได้น้อยกแล้วไป่อมาเวลานั่งสมาธิเคยได้ผลจากการที่ใช้เวทนาทำให้จิตมีกำลัง มันก็คิดแล้วทีนี้เออถ้ามันยังยึดกายอยู่ยังปล่อยวางกายไม่ได้หมดก็แสดงว่ามันต้องยึดเวทนาด้วยเอาต่ออีกทีนี้ต่อมามีครั้งหนึ่งไอไอไ อ, ไ อ, ไ อ, ไอนั่งนั่งไปขาดสมาธิเพชรแต่มันมันคงหลายครั้งหลายหนนานแล้วมันเสียวแป๊บแป๊บ เนี่ยไอซิสวัสลักเพชรเนี่ยเอ็นมันมันเสียวไม่ถึงเวลามันก็ไปเละเนี่ยมันอยู่เนื้อกายมันวางกายได้เฉยเลยแต่ออกมาแล้วโอ้โหเริ่มมีอาการก็ค่อยๆบริหารเอ า, าแต่เวลา น, นั่นนงทีไรทีนี้ความปวดมันจะมาเร็วแรงมันสู้ได้ ก็ยิงดีหายง่วงเร็วตึ๊บเลยความง่วงไม่มีอะไรจะเข้ามาใกล้ไม่ได้เลยมันทิ้งหมดเลยคนก็เห็นความเกิดดับเห็นในในธรรมชาติมันมีบุบวาบเข้ามาเนี่ยมีจริงแต่ในเมื่อจิตมันไม่หวั่นไหวอะจิตมีกำลังก็เห็นมันเกิดแล้วก็ดับเห็นมันสลายไปเพราะว่าสู้สู้สู้สู้จิตที่เข้มแข็งจิตที่มีกำลังไม่ได้เพราะจิตมไม่หวั่นไหว แต่ก็แค่ดูเฉยๆว่าเออเนี่ยมันมันมาจริงบูบเข้ามาแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็พยายามที่จะควบคุมจิตเอาไว้เพราะว่าเราไม่อยากให้จิตไม่พปพูนแต่งสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาอันนี้ก็จะไม่พูดรายละเอียดต่อไปละเพราะว่าให้ทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ แรกๆ ก, ก็กรรมฐ า, านเบื้องต้นของตัวเองต่อมามันมันวางกรรมฐ า, านเบื้องต้นมันก็มาเป็นสมาธิเป็นสมาธิคือจิตต้องเป็นหนึ่งสติก็คคุมจิตได้นานขึ้นนานขึ้นจนสมาธิมันมันมีกําลังพอ สติก็มีกำลังมันก็สามารถมาดูกายเวทนาจิตธรรมเห็นชัดเจนด้วยตาปัญญารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราค่อยปล่อยค่อยวางไปเรื่อยแล้วแล้วเราบางคนอาจจะวางเร็วบางคนนานกว่าจะวางนี่คือเหตุปัจจัยั้งแต่ละคน ของเราก็จดจำแต่ว่าโอ้โหเราใช้ความเพียรเต็มที่เวีชนาเต็มที่เห็นแล้วเราหล่อหล่อคนในความรู้สึกว่านอนนานมากพอมันเจ็บมันปวดสู่วันละหลายหนทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่ต้นก็เพียรอย่างต่อเนื่อง เดินจงกรมนั่งภาวนากว่าจะได้สมาธิดูจักสมาธิแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรแต่รู้แต่ว่าเออจิตกองเรามันดีขึ้นมาต่อมาพอจิตมีกําลังมันก็สามารถที่จะมาเห็นก็เห็นในสีฐานสีนะ่ะเห็นข้างแรกก็รู้สึกว่ามันดูร่างกาย เม่วทนามันก็เห็นวทนากายก็ยังเห็นอยู่วทนาก็ยังเห็นอยู่อะไรตัวนึงก็รู้เห็นหมดอะแต่ไม่มีผลต่อจิตบางทีก็เข้ามาในจิตก็มีทุกทางจิตแต่มันไม่รู้ว่าคืออะไรมันกุ้มลุงอยู่ของเวลา พบกำหนดเราก็ออกมาปีนิยบทเดินอยู่คมหนังภาวนาสู้ไปจนได้มาเพียรจินจังทุ่มเทสู้กเวทนานั่งกัสมาธิเวทอย่างมันมันไม่ลืมตรงเนี้ยความเจ็บความปวดวัทวีผูกคูนขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอมันเจ็บ ต, ต่ที่ของมันจิตรู้วิธี ออกจากทุกได้เออปล่อยวางเป็นอ้าวมันกลับได้ประโยชน์ทีนี้มัวแต่ ก, กลัวมัวแต่ ก, กลัวเจ็บ ก, กลัวปวดก็เลยไม่เห็นวิธีที่จิตมันแก้ปัญหาของมันเห็นแต่ว่าเ อ, อเราเจ็บเนี่ยเป็นเราเจ็บเปแล้วทีนี้เราก็อยากขยบับก็ขยบับละทีนี้เป็นเราเลยทีนี้ เขาไม่ใช่เรามันก็ไม่เห็นอันนี้จเอาเจนมันเห็นเลยอ่ะเวทนาเนี่ยมันเจ็บเจ็บความเจ็บก็เรื่องของเวทนาแล้วก็อยู่ที่ร่างกายด้วยไม่ใช่กายด้วยไม่ใช่จิตเนี่ยเห็นต่อมาจิตปวดหนักๆเข้าจิตรู้วิธีเลยมันไปคุกกันเนี่ยจิตรู้วิธีปล่อยเลยปล่อยปล่อยแล้วมันก็มาอีก มันปล่อยได้มันก็เจ็บได้อีกตอนจบมันรู้ว่าเออเดี๋ยวมันมาใหม่นะเตรียมใจเลยทีเนี่ยเนี่ยเวลาทุกคนมาก็คล้ายๆแบบนี้แหละมาแล้วถ้ามันเข้าใจก็เออเดี๋ยวมันก็ดับดับแล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม่มันก็เบานะถ้าว่าสามารถอบรมจิตได้ถ้าจิตมันเห็นแล้วนี่มันก็ มันก็เข้าใจได้ถ้ามันยังไม่เห็นไม่แจ้งไม่ชัดไม่เห็นอาการมังจิตมันฟูขึ้นก็ไม่เห็นมันแฟบลงก็ไม่เห็นบางทีฟูขึ้นกว่าจะรู้ตัวมันก็นานมันแฟบมันอ่อนปวกเปียกอยู่กว่าจะแก้ก็ตั้งนาน มันก็บีบขั้นใจแล้วให้ใจเป็นทุกข์ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก่อเจริญกายคตาสติแต่ก็ได้เห็นทุกข์เหมือนกันทุกข์มันทำให้จิตมีกำลังมาดูล่างกายก็เห็นชัดเจนเพราะฉะั้นความเจ็บความปวดนี่มันต้องได้ต่อสู้จิตมันจะได้อดทน คูบาอาจารย์บาองค์นั่งทั้งคืนนะบางองค์เล่าให้ฟังเป็นนั่งก้นหินหนุ่นนั่งที่สบายๆกลัวมันสบายเป็นนั่งก้นหินไม่ได้เจ็บเร็วๆได้สู้เร็วๆนะเอาวันนี้จะให้ปฏิบัติไปทำลำพังนะถึงเวลาพร้อมแล้วก็อา ก, กันได้